ก่อนมุทนาสาธุการในท่านสาธุชนท่านหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะนำเอาประสูตรในติฆนิบาตอังคุตรากายม า, าแสดงวันนี้น่าสังเกตว่าในระยะใกล้นี้มีข่าวคราวที่เกี่ยวกับองค์การพระเครื่อง การประพฤติปฏิบัติตนของพระนำมาตกเถียงวิพากษ์วิจารกันมากทางภาครัฐบาลคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเ็าประรบเรื่องนี้เรื่องสองท่านสุพิมเองก็ลงไปสัมภาษณ์คน่ที่สำคัญยิ่งคือคุณชายคือกริชก็นำมาวิพากษ์วิจารหลายข้อ เราก็ยกเทียบเทียงอ้างอิงถึงวทิทยุที่ทางฟังในแต่ละคืนโดยเมื่อคืนก็ลงทุนฟังก็ด้วยถึงตีสี่ก็น่าดูจริงกันเน่ก็ปัญหาเหล่านี้เราจะมองอย่างไงการมองปัญหาเนี่ยคือสิ่งหลายนั้นมันเป็นกระบวนการมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่อิงอาศัยกันมาตลอด เพราะเการต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราก็เป็นภาพสะท้อนมาจากสังคมเราต้องคุมเองมาสะท้อนมาจากคนแต่ละคนแล้วคนแต่ละคนมันก็จะท้อนจากความคิดของเขาพอเรามาดูที่ความคิดเราจะเห็นสิ่งสําคัญอยู่ภายในจิตก็คือคกุศลกับกุศลแต่นั้นธรรมะที่ส่งสอนเนี่ย เขาจะสอนอยู่แนวนี้ตลอดเพียงแต่ว่าจะสาวลึกไปถึงจิตหรือไม่เพราะบางครั้งสาวไปก็เท่านั้นแหละคนก็ไม่ยอมเข้าใจเราก็พูดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวคนที่เขาเห็นกันอยู่ในขณะนั้นๆกระสูตรในแนวนี้ที่จริงก็เรียงกันอยู่หลายๆสูตรแนวคล้ายๆ ค, คลึงกันสมหรับวันนี้จะพูดเรื่อง เสวิตประสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการครบหรือไม่ครบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนท่านเรียกว่าอาศวณัปจจใจเนี่ยคือการครบหาสมาคมเกี่ยวข้องกันเนี่ยเป็นเรื่องไขสสำคัญแล้วก็มีอยู่ในสูตรของธรรมชาติตั้งหลาย เดต้นไม้ชนิดหนึ่งเมื่อไปเกี่ยวข้องกับดินอากาศสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อความเจริญเติบโตแกก็เจริญเติบโตได้เต็มที่ก็แสดงว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมเหล่านั้นมันก็สนับสนุนเข้าแต่ต้นไม้ชนิดเดียวกันนั่นแหละเมื่อไปได้สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีดิ้ดไม่ดีอากาศไม่ดีสภาพรอบร อ, รอรบด้านไม่ดีก็โตไม่ได้หรือโตได้ช้าหรือบางทีก็ไม่โตไปเลย สำนวนศาสตร์าท่านเรียกว่าอานเสวนาปัจจัยที่เราพูดว่าคร อ, อ, อบกบุคคลเช่นใดก็จะเป็นเมื่อคนเช่นนั้นเราพูดเาาาราก็พาดพานปาไปหาผิดก็า บ, บันดิตบัดิตพาไปหาผลเปน็ปตนต้นล้วก็แนวเดียวกันทรงแสดงเฉพาะสูตรนี้นะฮะแสดงคนไว้สามกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นบุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเกี่ยวข้องไม่ควรร่วมกิจกรรมต่างๆเว็นไว้แต่สงเคราะห์นุเคราะห์แล้วก็เอ็นดูสงสารเขาแต่เราก็ไม่กระโจนตัวเองลงไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆกับเขาถ้าแม้แต่คบอย่างเดียวเราก็เสื่อมแล้วนั้นก็คือคนที่ ส่งชายก็มาทุ่ศีดเป็นคนเลวไม่มีศีดไม่มีกัญยาณทำพูดง่ายเป็นคนผ่านเพี่ยงแต่เราคบกับเขาเดินทางกวบเขาเราก็เสื่อมแล้วเจ็นไปร่วมกิจกรรมไปนั่งร่วมไปกินร่วมไปอยู่ร่วมยิงไปกันใหญ่ทองสอนให้มองในแนวทิฏฐารังเกียจ ระดับการคบวบเฉยเนี่ยมันเหมือนกับมือนก็นงูที่มันตกลงไปในอุจจาระเป็นงูที่ไม่กัดคนมันไม่กัดคนจริงแต่เราไปจับข้ามันก็เปื้อนมือและบางก็ยามเทเลือ้อยทําให้มันเปื้อนตรงอื่นของร่างกายเราด้วยบางการจะถอยห่างออกไป ในกรณีนี้ถ้า อ, อ, อุปมาอย่างนั้นมายความวาเพื่อแสดงเมตตาหนุเคราะห์กห็ช่วยในจุดที่เราไม่มีปัญหาบางครั้งก็ส่งอุปมาเหมืองทับท่อนไม้ท่านบอกว่าไม้มาพลับไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงเวลาติดไฟท่านบอกมีเสียงดังไม้มาพลับที่เปื่อนจริงสกรปรก เราจับตรงไหนเราก็เพื่อนเวลาเราเออกมาติดไฟมอเตอร์ส่งเสียงดังผลการกผ่านก็จะมีลักษณะอย่างนี้นแต่เกณฑ์มาตรฐานในที่นี้ก็ส่งสอนต่อไปว่ามันมาความเขามาตรฐานเขาต่ำเขาจะดึงเรา แต่เราจับมือคนที่อยู่อยู่ต่ำกว่าเนี่ยเขาก็ดึงเราลงไปเราทําให้มองภาพถึงว่าเราเกี่ยวข้องกับคนอยู่สามกลุ่มถ้าคนอยู่ข้างสูงเราต้องการไปก็ผากระทันท่านก็เราก็ต้องขึ้นไปบางคนระดับเดียวกันเราก็จับมาจับมือกันได้บางคนต่ำกว่าเราก็ต้องลงไปบางครั้งเขาก็ดึงเราไปเขาก็ดึงเราขึ้นไป แต่าการคนที่เราไปข้อผ่าสมาคมกับคนที่ไม่มีศีลเนี่ยในสุดในสุดเขาก็ดึงเราไปออกไปนอกศีลด้วยตัวอย่างที่ทรงสอนเรื่องการคบคนชั่วเป็นมิตรว่ามันดึงเราไปสู่กระแสของเขากรอบตังเลงสุราก็ดึงไปดื่มสุราคราบตังเหลงเล่นการประด น, นก็ดึงไปเล่นการประดานครอบคนเกียรตครานทําการงานก็ดึงไปเกียรตครานทําการงาน ก็จะทำให้ดึงเราตกต่ําไปจากเกณฑ์มาตรฐานของความดีงามตัวอย่างมันก็ค่อนข้างชัดนะฮะเราไปเกี่ยวข้องกับคนไม่ดีเป็นอันมากที่เราเป็นคนดีอยู่เนี่ยเราเกี่ยวข้องคนเหล่านั้นเราเลยเสื่อมไปด้วยเพราะฉะนั้นหลักเหล่านี้จึงจึงเป็นหลักที่เรียกว่าเริ่มตั้งแต่มงคล ส่งแสดงตังการไม่กุพานนะฮะว่าเป็นอุดมมงคลก็หมายความว่าถ้ากุพานก็เป็นอัปมงคลเรื่องเลวร้ายต่างๆก็จะตามมาโดยลำดับและทรงสอนไว้ทุกจุดนะฮะทุกจุดแม้แต่การแต่งงานการเป็นสามีพันยาการเป็นเพื่อนการเป็นพ่อแม่ลูกการเป็นครูบาอาจารย์เป็นศิษยนะ์กันเนี่ยหมายความต้องฝ่ายหนึ่งมีปัญหาแล้วก็จะทําฝ่ายหนึ่งให้มีปัญหาต่างไป คือบางครั้งบางคราวแม้เราจะจะไม่อะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นในที่เขาเป็นแต่เราก็ไปเกี่ยวข้องลุกลี้ลักเขาเราก็เสือ่อมทีนี้ถ้าเขาเขินห่างจากสมาธิก็ไม่สนใจใส่ใจในเรื่องสมาธิเรียกว่าชังธรรมนะเป็นพวกลักษณะชังธรรมคือรังเกียจธรรมะ ก็มานั่งคิดเมื่อกี้นอนคิดเมื่อคืนนะฮะฟัง ว, วิทยุตามมาทุกคลื่นเยเช็คดูที่ถูกคุณชายกฤกเขาว่าเราก็มองเห็นว่ามันมันก็มีปัญหาพออย่างเราไปออกรายการวิทยุเนี่ยรายการโทรทัศน์อะไรก็ตามที่จริงคนที่ออกได้อย่างนั้นนี่นะฮะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยเขามีเงินมีสปอนเซอร์ให้เขา มันก็กลายเป็นธุรกิจไปหมดแต่ถ้าเราออกธรรมดาธรรมดาเนี่ยบางทีขอตัดเรื่ยนะขอทีนาทีสองนาทีตัดไปเรื่อยๆ เ, เลยเลยดี๋ยวต้องเลิกพูดเลยเอ่อแสดงให้เห็นว่ามันกระแสะสังคมมันไหลไปด้วยอาํานาจของเงินไปหมดไหนจะช่วยอะไรหน่อยนะช่วยเสร็จก็แบามือมันก็เด็กช่วยเช็ดรถ น, นนะฮะเสร็จก็แบมือ ในการเข้าหาสมาคมกันในลักษณะนี้มันก็ค่อนข้างยากแล้วก็โตขึ้นไปกลายเป็นปกติธรรมดาแม้แต่หน่วยงานของราชการยิงสถานเนสถานีวิทยุส่วนใหญ่ของรัฐการนะฮะแล้วเป็นของที่ต่างประเทศให้มาตั้งร้อยกว่าสถานนีร้อยห้าสิบกว่าสถา น, นีนยเมื่อกลายเปที่หาประโยชน์บางคนเหล่านั้นไปเอกชนไปเศร้าแล้วก็พระไปก็จัดรายการน้องเศร้าไม่รู้มือที่ต่อไรนะฮะ ไอ้ตรงนี้เองอะทำให้เพื่อจะอยู่ได้เนี่ยทําให้ต้องหาเงินตกลงก็มีลักษณะคล้ายๆกับธุรกิจไปเราฟังแล้วถ้าฟังเฉพาะจุดนั้นดูแล้วน่ารังเกียจนะแต่ถ้าเรามองมองต่อเนื่องมันก็เออเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจว่าตรงเนี้ยใครมาแก้ปัญหาได้ไหมว่าแก้ค่าเช่าสถานีได้ไหมถ้าแก้ได้นะพระก็พร้อมจะทำโดยไม่มีการได้ออไรอะไรเลยได้สบายมากๆนะมันมีพระเยอะ ที่เขาจะทํางานเหล่านี้แต่เราทําไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินไปเช้าอันนี้ที่จริงมันสืบเนื่องมาจากความเสพคุ้นของคนที่ว่าทําอะไรต้องได้เงินแล้วปกตเปิเป็นนิสยัยเป็นความถูกต้องเป็นความยึดมั่นถือมั่นขเขาถูกต้องอะอย่างงั้นนะแล้วก็ลืมอะไรไปหมดว่าเอาก็จริงๆเยานเมื่อวานเนี่ยมันซื้อผิวกรมาทำมลาด หรือพูดถึงว่าที่วัดทําไมมีการสร้างพระนี่กำลังหลอเยูยห่อยหอพระประธานแล้วทำไมวัดไม่ห้ามบอกว่าคุณไม่เข้าใจว่าวัดน่ยมันไม่ใช่ของใครนะวัดมันของชาวพุทธทุกคนเมืเ่อเขาต้องการจะใช้วัดแต่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเราเราไม่มีทางที่จะห้ามเขาไม่ใช่เราเป็นเจ้าของวัดพระเองก็เป็นคนอาศัยวัดทุกรูปตั้งแต่สมภารมาในผู้อาศัยทั้งนั้นเลย อันนี้คือคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมจึงไปยอมเรามีหน้าที่อะไรจึงไม่ยอมอ่ะในเมื่อสิ่งที่เขาก็ททำนั้นเป็นกิจกรรมทางศาสนาเรียกวัดเี่มาสร้างขึ้นเพื่อสงฆ์ที่มาจากจัตุรทิศสํานวนนันชายอย่างนั้นนะเป็นวัดพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่แห่งเดียวในโลกให้เราตั้งเกตเอะว่าที่ใครจะเข้าจะออกได้ตามสบาย สถานที่ราชการเนี่ยห้าไปเข้าออกคําบากสถานที่ราชการห้ามเข้าเอาเกตทหารห้ามเข้าของเราไม่มีฮะวัดวัดนี่มันมั น, มนไม่ไปห้ามอย่างนั้นไม่ได้เราเป็นสถานที่ของาศาสนิกแต่ที่จริงไม่ใช่าศาสนิกก็ยังเข้ามาได้นั้นๆคือสิ่งที่ถ้าเราพอมองเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราจะเข้าใจในความดีความชั่วของคนเนี่ยมีจํานวนมากที่เราอาศัยการครบ การเกี่ยวข้องกับคนที่แวดล้อมสภาพที่แวดล้อมคนไม่มีปัญหาแต่ว่าสภาพแวดล้อมเป็นพิษสัมมวนทางการเมืองอะไรพังเพราะเพื่อนพังเพราะเมีย พ, พ, พังเพราะลูกพังเพราะอะไรเนี่ยฮะคือตัวเองไม่ใช่มีปัญหาแต่ว่าสภาพแวดล้อมเกิดมีปัญหาถ้าเขาไม่พอใจในธรรมะเขาก็ดึงเราออกจากธรรมะ แล้วเคยพูด <c oughs> เคยคุยกับคนกลุ่มเหล่านี้ความคิดก็แปลกนะเขาบอกรายการธรรมะนี่คนไม่ฟังอ่ะท่านสี่พนาทีก็าพอสิบนาทีก็าพอห้านาทีก็พอนะฮะแต่ก็เต้นหยัง่งหยั่งหยั่งหยั่งนี่ได้เป็นสีห้าชั่วโมงเลยนะเพราะอะไรเพราะตรงนั้นแกชอบแกก็นึกว่าคนอื่นชอบเหมือนแกหมดที น, นี้ตอนความธรรมะแกะไม่ชอบแกก็คิดว่าคนอื่นไม่ชอบเหมือนแกหมดนั่นนั่นนั่นคือผ่านในการคิด มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการสะสมจิตสันดาลหมาเป็นอย่างนั้นตลอดตั้งแต่เด็กๆมาความคิดแกก็เป็นอย็งนั้นโยือว่าแกผิดไหมมันก็คบหาสมาคมเสพคุนการมที่ผิดเป็นพวกชังทรรังเกียจธรรมะทางทางที่ว่าถ้าใครปฏิบัติไม่มีธรรมะกระตนเนี่ยตนไม่ชอบนะนะเราเรียกร้องยุติธรรมเรียกร้องความเป็นธรรม แต่ว่าเอ า, าจริงเราไม่มีธรรมะเออไม่ให้ธรรมะเขงไม่ให้ความยุติธรรมกับเขาแต่นั้นพอเราครบครบกับคนประเภทนี้หนักเข้าวหนักข้าเนี่ยอย่างน้อยเราก็เสื่อมเสียในจุดครบแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งเขาจะดึงเราเข้าไปสู่กระแสของเขาคนเป็นมากที่สูญเสียไปบางทีก็มีลักษณะที่เราเรียกว่าประดับประเดิบไปเลยนะฮะจัน จะลูกน้องของพระเทวทัตที่ไปโคกขวากับพระเทวทัตเนี่ยออกจะประดับประเดิลกันใหญ่เลยกว่าจะดึงกลับมาได้เนี่ยท่านก็ทําอะไรเลวร้ายซะเยอะแต่ไม่เลวร้ายถึงสุดๆแต่นั้นเองท่านก็ดึงกลับมาได้ทีนี้ตรงนี้ท่านท่านใช้เกณฑ์มาตรฐานของสีสมาธิปัญญานะฮะเฉพาะประสุดรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานของสีสมาธิปัญญาไม่คาคนไม่มีสีไม่มีสมาธิปัญญาเมื่อเราไปโคกขว า, ขานี้เขาจะดึงเราออก เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่แล้วเนี่ยไปพบหาเข า, เขาขก็ดึงเราออกดึงเราออกจากศีลสมาธิปัญญ า, ยาอย่ามามอ้างเหตุผลที่แจงไปเรื่อยนะะจะไหวพระหน่อยหน้าไม่ต้องไหวแล้วนะฉันไม่เห็นไหวไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็นะจะมีเหตุผลของเขาแล้วเราก็บางทีก็เกรงใจนะบางทีก็าอาจจ ะ, ะคล้อยตามบ่นไ ป, ไปตามในสุดก็จะถูกดึงออกไป ทำให้เราเห็นว่าเรื่องไม่ใช่ธรรมดานะฮะแม้แต่คุณสมบัติที่สะสมอบรมไว้ภายในจิตที่เรียกว่าบารมีเนี่ยก็เสื่อมได้พระพุทธเจ้าเล่าถึงเศรษฐีสองคนสามีพันยาที่เป็นเจ้าของมรดกตั้งคนละแปดสิบโขสองคนก็ร้อยหกสิบโขก็มหาศาลหลายพันล้าน แต่ว่าจุดอันตรายของท่านก็คือไปคบ ก, กับคนผ่านแล้วตัวเองขาดการศึกษาอบอรมเพราะว่าพ่อแม่กลัวลูกตัวเองจะเดือดร้อนจะเหน็ดจะเหนื่อยจะมือจะช้ำเราะเขียนหนังสื อ, อะจะเหน็ดเหนื่อยเพราะการเรียนหนังสือทรัพย์สมบัติสะสมไม่เยอะแล้วลูกไม่ต้องเรียนก็อยู่ได้นั้นหมายความไงหมายความมันเริ่มที่โมฆะคือความโง่ความโง่ของพ่อแม่ก็ไปยัดเยียดลูกโง่ตามไปแทนที่จะให้ลูกได้มีการศึกษาไว้ พะพ่อแม่ตายก็ไม่มีหลักแล้วก็หาสมาคมของคนชั่วครบชุดอบายมุกไปเลยถูกคนชั่วเหล่านั้นดึงคนชั่วแต่ละสายก็ดึงเขาไปนะตอนพระเจ้าไปพบเนี่ยมันเป็นขอฐานแล้วแล้วไปนอนอยู่ที่เพิงอยู่ริมกำแพงน่พระเจ้ารับสั่งกับพระอ น, นุ์ ว่าสองคนเนี่ยมันก็เสียที่เขาเพื่อนไม่ดีที่จริงเขามีบารมีมากแต่พอเขาเพื่อนไม่ดีมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆบอกว่าสองคนเนี่ยถ้าออกบวชในตอนตอน้ตนๆนะฮะออกบวชในตอนตอน้ตนๆสามีจะบรรลุถึงอนาคามีเป็นพระรยบุคคลได้นะเป็นระดับอนาคามีแล้วพัญญาจะเป็นถึงพระสกิาคามี เอาละประมาทจะไหนตอนต้นถ้าออกบวชในวัยกลางๆคนจิตใจ ย, ยังไม่ตกมากอนะก็ะเรียกว่าพัฒนาขึ้นไปยังผไวสามีจะเป็นพระักิทคามีปัญญาก็จะเป็นมรสนบัญเอาละถ้าบวชหลังอย่างนั้นอีกยังไม่ถึงเสื่อมเต็มที่สามีจะเป็นถึงมรสนบัญและปัญญาจะเป็นกัลยาณอภูตุชนหมายความถ้าสายโลกุตระธรรมเนี่ยจะไปได้เยอะเลย พื้นฐานคุณภาพธังกษิษมันยังดีอยู่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าออสำนึกดีตั้งตัวขึ้นมาใหม่ใช้เงินจำนวนมห า, าศาลในลงทุนดำเนินธุรกิจต่อไปจะเป็นอัครมหาเศรษฐีในเมืองนี้เลเอาหละประมาทจะในตอนต้นในตอนกลางวัยอวยตอนกลางทรัพย์สมบัติพอ ม, มีอยู่ถ้าจะเริ่มประกอบกิ จ, จการงานเลิ่คบคนชั่ว แล้วก็พัฒนาอาชีพขึ้นไปคุจะเป็นขึ้นระเบิดีผู้ใหญ่มีทรัพย์สม บ, บัติขึหนรบดีนี่เขากําหนดโดยทรัพย์แปดสิบโกดธ น, นะฮะถ้ามหาเศรษฐีนี่เยอะอัครมหาเศรษฐีนี่เยอะนะแล้วก็ในวัยที่ยังไม่แก่มากเกินไปอันทรัพย์สม บ, บัติก็เสื่อมไปแยะคุณภาพจีเก็เสื่อมไปแยะแล้วแต่ว่ากลับเนื้อกลับตัวได้ตั้งตัวเป็นเหล่าเป็นทานได้มันก็สามารถที่จะอยู่ดีมีสุขได้ แต่เวรนี้มันหมดมันหมดด้วยประการทั้งพวงจรงอุปมาว่าเหมือนเหมือนนกกระเรียนที่มันอยู่ในหนองน้ําน้ําก็แข็งอาหารปลาก็ไม่มีขนปีกนกก็ไม่มีก็มีแต่ตายแต่นั้นเองนั้นเราเราเห็นว่าจุดอันตรายมีจุดเดียวคือไปคบคนไม่ดีฐานมันดีแต่ถูกคนไม่ดีดึงลงต่ําเต็มที่เลย ทำลายหมดทั้งโลกีทรัพย์และโลกุตระทรัพย์ปัญหานั้นมาจากข้างนอกแล้วเราก็ไปโจรเข้าไปรับปัญหาตรงนั้นแล้วขาดความนึกขาดความรู้สึกตัวเพราะสิ่งที่ห้อมล้อมคนที่ห้อมล้อมมันมีแต่คนไม่ดีทั้งนั้นทีนี้แนวนี้ที่สําคัญเนี่ยมันคือว่าเราไปพูดไปตักเตือนอะไรถ้าแกแกไปแล้วเนี่ยมันมันพูดยา ก, ก น, นะ ัพูดยากอย่างที่คนก็ท้วงติงกันมาในโดนท้วงติงเรื่อยว่าทำไมไม่พูดเรื่องขายพระเครื่องอะไรแต่ใดคนพูดง่ายที่ไหนเราพูดนะเขาหาลอ ร, ริษย า, ขาเขาแล้วก็มีคนมีคนมีพวกมีเงินบางทีก็าหาหนังสือพิมพ์มาจ้างด่าเรา เ, เสียชื่อเราคือไปเล่นไม่ได้เลยนะพวกเนี้ย ในพระสูตรเนี้ยตรงเนี้ยข้อเ น, นี้ยที่เราคติไทยที่ออกมาอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้มาจากพระสูตรนี้เองมันเปื่อนนะฮะจับตรงกลางก็เปื้อนจับตรงไหนก็เปื่อนนะเหมือนก็ไฟเอ่อไม้ที่มีไฟติดอยู่สองข้างตรงกลางเปื่อนอุจาระจับตรงไหนละ่ะอย่าให้เปื้อนไม่เปื้อนก็ร้อนนะฮะแล้วก็ทั้งเปื่อนทั้งร้อนด้วยคติไทยเราเอามาจากตรงตรงนี้เองเป็นเป็นประโยคออกมาเลย การนี้ก็คือเรื่องผ่านพูดยากนะฮะพูดยากทานจริงสอนให้มองให้เห็นโทษแต่ว่าการสงเคราะห์นุเคราะห์มีนะไม่ใช่ว่าตัดขาดไปเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมเมตตาสงเคราะห์นุเคราะห์อะไรเขาการสงเคราะห์การให้อาหารให้เสื้อผ้าให้สตุงสตางเนี่ก็ให้ได้แต่ว่าไม่ใช่ให้กันเร่่ๆจะ ต, ต้องพิจารณาอย่าง ในช่วงพ่วงเวลาตรงนี้ก็เป็นเรื่องอะไรหลักกระถิ่ป่ า, ปาสซองเยอะตรงนี้เป็นเป็นเครียองเทศการกรถิ่นเพราะไม่มีเดือนเดียวนะฮะแต่ว่าในการบริจาคเนี่ยเราทำยังไงล่ะถ้าเรามีกาลังทรัพย์มีกาลังศรัทธาก็บริจาคเท่าที่บริจาคได้ถ้าไม่มีก็เฉยๆนะฮะไม่มีก็เฉยๆไปอย่าไป ตาหนิตีเตียนค่อนแคะด่าว่าอะไรเขาแน่นอนกรถิ่นปลอมเราก็มีนะฮะซองปลอมก็มีซองที่เหลือพิมเหลือก็มีในวงการนี้มีทั้งนั้นเพราะในเอามายังมองถึงแน่นี้ก็ามาถกเถียงกันมานั่งอภิปรายกันเอ๊ะมันมั น, มนที่จริงเนี่ยมันมีอย่างนี้มานะตลอดเพราะสมัยพระพุทธเจ้าอยู่นี่นะบจ้าเสด็จไปในที่ไหนคนเคารพเราถือแยะมันมาเป็นแท่นะ คนมาต้อนรับเป็นแถวนําข้าวปลาอาหารจูงลูกจูงหลานมาไหว้พระพุทเจ้ า, ก, จา ก, กันเราต้องมองภาพเหล่านี้ว่าอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะไลอาหารที่คนนําติดไม้ติดมือมาถ ว, วาัยแล้วเหลือไม่มีทางที่รพระพุทธเจ้าประสงค์จะจันได้หมดมันจะมีคนเรียกกินเดนตามาเป็นกระบวนการคคล้ายๆงานวัดแล้วก็ขอทานตามไปตั้งเห็นไหมกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นกิ จ, จกรรมถาวรที่มีอยู่ในสังคมคน เพนั้นคนเหเรานั้นเรามองในแนวสงสารนะได้แต่ว่าไปรูปหลักความคิดร่วมกิจกรรมเขาไม่ได้แต่ถามว่าตัดเขาทิ้งไปเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้นะมันโลกมันก็เป็นโลกอยู่งั้นเองแต่ว่าไม่มีคนเหล่านี้มันก็ก็ไม่ใช่โลกมนุษย์แล้วก็เป็นเทวโลกเป็นพรหมโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นตราบตราบใดที่ยังเป็นโลกอยู่ก็เป็นเรื่อ ง, ของเขา สำคัญจริงก็คือเราไม่กระโจนเข้าไปหาเขาไม่เป็นในที่เขาเป็นไม่ทำอย่างที่ ท, ที่เขาทำก็เกิดความสบาดีเกิดความปลอดภัยแก่ตัวเองนะประการต่อไปนั้นคือคนที่ก็เรียกว่าอยู่ในคุณธรรมที่เสมอกันเรื่องเสมอกันในสาคัญมากเลย ไม่ไม่ว่าในจุดอะไรก็ตามเช่นคบหาสมาคมกันคนหนึ่ ง, งโง่มากคนหนึ่งฉลาดมากเนี่ยจะทะเลาะ ก, กันเรื่อยเถียงกันเรื่อยเพราะว่าเกณฑ์มันมันมันมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะติดต่อกันได้ที่ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาคู่สามีปัญญาหรือว่าอะไรคู่สามีปัญญาสีคู่น่นะท่านจะเห็นว่ามันมีอยู่สามคู่ที่ไม่เสมอกันที่จริงที่จริงสองคู่นะฮะ ไม่เสมอกันหมายความว่าฝ่ายหนึ่งพัญญามีศีลมีกัลยาณธรรมดีสามีเป็นคนทุ่ศีลคืนอยู่กันแล้วบ้านพังพัญญาจะเดือดร้อนเพราะถูกสามีเบียดเบียนีกคู่หนึ่งสามีเป็นคนมีศีลมีกัญญาณธรรมดีมีคุณธรรมสูงแต่พัญญ่าอดร้ายขาดศีนขาดกัญยาณธรรมสามีก็ยำใหญ่เหมือนกันนะเพราะมันขาดความเสมอในด้านความในด้านจิตสํานึกพูดจากันไม่รู้เรื่อง อีกด้านหนึ่งก็เลวพอกันนะฮะเรียกว่าต่างคนนั้นไม่มีศีน ม, มีกัญญาธรรมรพอกันอันนี้มันคงจะอยู่กันได้นะฮะแบบสาดิสาดิ ส, สไปแต่ว่าที่ที่ที่อยู่กันดีก็คือมีศีมีกัญญาธรรมด้วยกันอยู่ร่วมกันก็เป็นสวรรค์เป็นพิมานเพราะว่าใลักษณะเ ส, สมอกันมีความเห็นตรงกันลนเสมอกันแล้วก็ มีพื้นฐานเหตุผลสติปัญญาพูดจาได้มองตารู้ใจเนี่ยนะฮะลักษณะมองตารู้ใจกันเลยก็ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องตกยจกันมากก็ทรงใช้ในแนวศีลเหมือนกันพอบคนที่เขามีศีลเสมอกันกับเราเราก็มีศีลเขาก็มีศีลเราจะเห็นว่ามีกิจกรรมร่วมได้กันตลอดเห็นสามีพัญญาเนี่ยเอาบทจะบหา้พระก็ไหว้พระพร้อมกัน ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งจะไหว้พระคนหนึ่งจะดูโทรทัศน์คนหนึ่งดูลูกอยู่ฟึนก็มั่วไปหมดเลย ม, ม, มันมันมันเคลื่อนไหวไปในกิจกรรมที่ว่ามองตรงกันมองตรงกันได้เพราะว่าฐานทางจิตมันตรงกันก็อยู่ในลักษณะประคับประคองฮนะคล้ายๆกับเรายืนตรงกันเราเราเราก็ยืนเสมอกันเนะี่ยฮะมันก็ประคับประคองกันไปได้ตลอดเลยทั้งศีลสมาธิปัญญานะหมายความว่า ถ้าเราอยู่กันระดับเดียวกันก็เกิดปกติสุขในระดับนั้นในระดับของศีลสมาธิปัญญาที่เราได้ที่เราปีเนี่ยแต่ถ้าตัณหายจะไปเทียบบุตรมันก็แนวเดิมกันนะฮะแนวบุตรประเภทนี้คือพวกอนุ ช, ชาตาบุตรที่ว่ามีพื้นฐานความคิดความความอ่านพฤติกรรมความระพฤติระดับเดียวกับครอบครัวก็ไปสร้างปัญหาแก่ครอบครัวแล้วก็กูลกันได้ในครอบครัว จากจุดนี้ไปก็ควรแก่การพบเพราะแนวแนวทางศาสนาที่ท่านจริงเน้นเน้นได้เรียกว่าศีลเสมอกันอย่างน้อยเนี่ยศีลเสมอกันแล้วคู่สามีพันยาที่จะอยู่กับพี่ที่จริงไม่จะสามีพันยาเพราะดีคนถามถามเรื่องสามีพันยาแต่นั้นเองแต่ว่าเป็นสูตรของการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุดหรือท่านในากุลบิดาในากุลมารดาที่ ท่านท่านอยู่กันจนเฒ่าจนแก่ไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วท่านคู่นี้นะฮะที่ที่ไปทึกทั ก, กว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกพอเจอปั๊บก็ไปจับมือเรียกกลับบ้านเลยะเรียกกลับบ้านใน้มันบอกว่าลูกหายไปไหนนานพ่อกับแม่คิดถึงน้องๆก็บน่นคิดถึงอยู่ไปจับมือพุทธเจ้าไปบ้านเจ้กาก็ไปไปพวกนั้นก็ทึกทักเป็นพี่เป็นจริงเหมือนกันมันก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเรื่องก็เรียกบุเพศนิวาส เด็กศึกษาทั้งหลายเองก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าไปรับเขาหมดเลยพระเจ้าบอกจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตีีว่าสองสามีปัญญาเนี่ยเคยเป็นพ่อแม่ของพระองค์ติดต่อกันมาถึงห้าร้อยชาติเป็นอาห้าร้อยชาติแล้วเป็นลุงเนี่ยห้าร้อยชาติเพราะงันัห้าร้อยชาติที่มันต่อตอกันสะสมจิตด้วกันพอเห็นภาพเขาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นอันนี้คือแนวบูเพสันิวัฒแต่ว่าจากจุดนี้ทําให้ท่านคุ้นเคยกับพุทธเจ้ามาก ก็คุยกันนะนะะแกบอกว่าตั้งแต่อยู่กันมาไม่เคยทะเลาะกันเลยว่าทำยังไงว่าหลังจะตายไปแล้วเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นรัมีปัญดากันดีมันจะเป็นไปได้ไหมพู้เจ้ารับสางว่าเป็นไปได้แต่หมายความว่าต้องปรับตรงนี้ให้เสมอกันคือให้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกัน มีความเสียสละมีจักกะในเสมอกันมีปัรดาเสมอกันถึงหมายความว่าธาตรงนี้เสมอกันแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในชีวิตในชีวิตปัจจุบันเนี่ยจะไปรอชาติหน้าเลยอีกนางนานไม่ต้องรีบตายหรอกเราเอาเฉพาะชาติปัจจุบันเนี่ยว่าคนคนหนึ่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งทุกคนมีศรัทธาเสมอกันจะไปอะไรด้วยด้วยกันได้ทั้งหมดเลยเรียกว่าไม่ต้องบอกต้องกล่าวกัน จะทำงานจะประสานความคิดระดับภูมิธรรมสติปัญญาคิดเหมือนกันคิดได้อันดับเดียวกันการถกเถียงมันก็ก็ยุติอย่างที่เคยบอกว่าสังคมมันไหนก็ตามที่มันถกเถียงนี่ ท, ที่จริงมันเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องคนโง่คนรู้จริงเขาไม่เถียงสังคมอารยะไม่เถียงแล้วเราเองเรื่องเป็นนั้นมากที่เราไม่เถียงจะถามทาไมไม่เถียงเพราะเรารู้จริงพอๆกันอะบอกน้ําตาลหวานไม่เถียงฮะ เห็นไหมเรารู้จริงรน้ําแข็งเย็นเราก็ไม่เถียงะน้นําเปียกเราก็ไม่เถียงเยอะที่เราไม่เถียงเนี่ยไฟร้อนเราก็ไม่เถียงสัมผัสตรงที่เราสัมผัสได้เนี่ยจะทําให้เราไม่เถียงกันแต่ว่าเนื่องจากคนเรามีประสาทสัมผัสคือเรียกว่ามีประสบการณ์เนี่ยต่างกาันทําให้ถกเถียงกันในบางเรื่องแล้วส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยรู้อะไรจริงนะอาจจะเถียงในมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งอาจจะไม่เถียงแล้วแต่ว่ากลับไปเถียงในมุมหนึ่งเป็นต้น เพราะงั้นถ้าเราปรับตรงนี้ให้เสมอกันนี่ระดับเสมอกันทานศีลความเสียสละสามีต้องการบริจาคเท่า น, นี้ปัญญาไม่ยอมปัญญาบอกว่ามากไป อ, อันนี้แสดงว่าศรัทธาไม่เท่ากันและมีปัญหาแล้วก็ปัญญาในการวินิจฉัยการบริจาคจะไม่เท่ากันทีนี้ถ้าถ้าถ้ามองเห็นด้วยกันมันก็ไปกันได้แล้วก็การทะเลาะ ก, ก็จบ ตรงนี้จึงถือว่าเป็นหลักเพราะธรรมะสี่ข้อนี้เป็นเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าอย่างในหนั ง, นนงสือนโกวาสเนี่ยว่าไว้สองแห่งธรรมะเหมือนกันนะฮะเป็นธรรมะที่ทําให้บุคคลสมความหมายสมความมุ่งหมายในสิ่งที่ตนต้องการแล้วกับเป็นทิ่ตรธรรมิกาตปะไม่ใช่เป็นสัมปราชยิกาตประโยชน์เป็นประโยชน์ในภายหน้าเป็นธรรมะที่ ขัดเกลาจิตใจของบุคคลจะมีความประนีขึ้นไปโดยลำดับแล้วถ้าเพิ่มกันอีกข้อหนึ่งนะฮะเป็นธรรมะที่ทําคนจะเป็นเทวดาสี่ข้อเนี้ยนะก็คือเพิ่มสุตะคือการศึกษาเรียนรู้วิชาการต่างๆจะต้องเน้นไปในด้านธรรมะด้วยนะฮะไม่ไม่จะว่าเรียนแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นนะเรียนวิธีคิดทุนก็ก็อยากเล่นหุ้นนะมีแต่ความโลภความโกรธ <laughs> มีแต่ความสมหวังความความปิดหวังจิตมันก็พลันเดี๋ยวนี้คนพลานกันยังไงนะ ติดตามกระแสหุ้นกันทุกนาทีไปเลยโอ้มันวุ่นวายไปหมดนี่ก็ถ้าเสมอกันาะถ้าเสมอกันก็จะเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกันศรัทธาเสมอไรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาระค่าเสมอ ก, มอการปัญญาเสมอการที่จริงมันก็เหมือนกับที่ว่าไว้ในตอนต้นนี่ะ น, นะตาเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียๆกันแ ต, ต่ตรงนี้ทรงยกศีลสมาธิปัญญา ว่าถ้าศีลสมาธิปัญญาเราเสมอกันแล้วเนี่ยจะอยู่กันง่ายจะอยู่กันเป็นปกติสุขมากและแต่ว่าศีลระดับใดนะช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแลก็จะมีความเอื้อทอนมีความองุ่ใหญ่ต่อกันปกติสุขเพราะว่าภาพสะท้อนในสังคมมันเป็นสะท้อนจากจิตตอรานันถ้าจิตมีฐานคือศีลสมาธิปัญญาแม้แต่ไม่ใช่สมบูรณ์นะนะ อยู่ระดับศีลที่เรียกว่าเอาขนาดท่าคอสมาธิก็ระดับที่ว่าใจสงบได้พอสมควรไม่ถึงก็วิ่งไปรับโน่นวิ่งไปรับนี้วิ่งไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้รับคงบคงต้องรับนะรับแล้วก็รู้รู้แล้วก็หยุดรับเพื่อรู้รู้แล้วก็หยุดไม่ต้องไปปรุงอะไรมันมากๆแต่ถ้าปรุงเพื่อคิดเป็นธรรมวิจัยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะ ปรุงนี่เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามีข้อแม้ว่าปรุงในแนวธรรมวิจัยประวิตกทั้งหลายที่จริงก็คือปรุงแต่ว่าปรุงกุศลปรุกุศลวิตกนะฮะปรุงความดีคิดอยู่ด้วยเมตตาคิดอยู่ด้วยความการุณาคิดอยู่ด้วยความเสียสละมไม่ว่าจะแยกอะไรมันพัฒนาจิตแล้วก็ครอบบุคคลประเภทต่อไปคือศีลเหนือกว่าเรานะสมาธิเหนือกว่าเราปัญญาเหนือกว่าเราท่านจะช่วยดึงเรา เรียกว่าคบคนสูงสุดค้กคนประเสริฐสุดมันก็กลับไปสู่พุทธศาสนิกชนเราที่เราประยึดมั่นในพระพุทธเจ้าพระเจ้าสูงสุดนะฮะเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเราค้บพระองค์เราก็ถึงจุดหนึ่งในเราอยากเป็นอย่างที่พระองค์เป็นถ้าเราสังเกตนะฮะว่าแนวของที่เคยเล่าเรื่องเรื่องเรื่องเทระคาถาเทดีคถานะฮะที่เคยเล่าเรื่องพปฏิระปฏิรีทั้งหลายเนี่ย จุดประกายความคิดที่มีความสืบเนื่องแล้วก็เพียรพยายามเพื่อบรรลุเ ป, ป้าหมายเหล่านั้นก็คือเกิดขึ้นจากอยากเป็นอย่างที่ท่านเป็นคือเห็นคนอื่นก็เป็นก่อนแล้วก็อยากเป็นอย่างที่ท่านเป็นอย่างพระทธเจ้าของเราที่ท่า น, นเป็นพระพุทธเจ้าก็เริ่มจากอยากเป็นอย่างที่พระทีบังกรพุทธเจ้าท่านเป็นแล้วก็ศึกษากรรมิทีขั้นตอนต่นตางๆเพื่อความเป็น ก็พ ย, พยายามต่อเนื่องก็ไม่รู้เสียสละยังไงก็ตามขั้นตอนต่างๆท่านบอกไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็ทำกับท่านแล้วทุกคนในจะเหมือนกันหมดเลยทุกรูปจะมีพระสาวกผู้ใหญ่ในสมัยนั้นๆ น, น, น, น, นะนะที่ท่านเห็นเช่นว่าพระสารีบุตรไปเจออากสาวกของพระพุทธเจ้ามีปัญญาแหลมคมขออยากเป็นอย่างองค์นี้บ้างพระโมกขลนานะเห็นองค์หนึ่งมีฤทธิ์ก็ขออยากเป็นในองค์นี้บ้างพระพระอ น, นุ์พระอะไรเหมิดเหมือนกันหมด เขาเรียกว่าเป็นปาณิธานที่ท่านตั้งเอาไว้ตั้งความปรารถนาเอาไว้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นตามที่ท่านต้องการอย่างพระอัญญาโกนัญญานี่ท่านท่าไม่อยากเป็นมากอยากจะเป็นสาวกคนแรกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองาศาสนาไหนก็ได้นะฮะขอว่าเกิดภพหนึ่งภพใดขอได้เป็นสาวกคนแรกของพระพุทธจเจ้าแต่ถ้าก็ได้เป็นนะถ้าก็ได้เป็นตามตามที่ท่าน ตั้งความปรารถนาเอาไว้ okay. นั้นนั้นก็คือแนวที่เรามองจากตัวคนก้าท่านก็มีศีลเหนือกว่าเรามีสมาธิเหนืนอกว่าเรามีปัญญาเหนือกว่าเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะอยากเป็นในะที่ท่านเป็นแล้วก็เนื่องจากขา้อผาสมาคุมกับท่านก็รู้กรรมวิธีในการเป็นตามปกติคนเราถ้าอยากเป็นในเรื่องที่คนอื่นเป็นที่ยริงมันก็มีนะฮะแต่ถ้าขาดทิศทางการควบคุมเราจะเห็นว่าเมืันก็แนวที่มีอยู่ในสังคมไทยเนี่ย เราจะเรียนแบบเราจะเรียนแบบคนนั้นคนนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเวลานี้ออกมาระดับสูงคือห้างสรรพสินค้านะแล้วก็กบ้านบ้านใหญ่ใหญ่นะคอนโดอะไรแต่ไหหมายความก็อยากเป็นอย่างที่ก็เป็นคนนี้เป็นเจ้าของคอนโดใหญ่คนนี้เป็นเจ้าของอโอ ร, นนโ ร, ง, รงแรมใหญ่คนนี้เป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่เราก็อยากเป็นอย่ังที่ก็เป็นแต่บางทีก็แข่งกันนะฮะปริมาณลูกค้าก็เท่าเดิมห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น ในสุก็มีปัญหาเพราะว่าเป็นไปตามกระแสของความโลภแต่เขาก็ได้เป็นอย่างที่เขาเป็นเพียงแต่ว่าแล้วเมื่อไรจะหยุดล่ะมันก็คงไม่หยุดนะนะคงหยุดไม่ได้ก็เดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็จิตใจก็ขาดความสงบไปเรื่อยๆอาจจะรวยนะฮะแต่ว่าความสงบมันก็เกิดขึ้นได้ยาก แต่แนวการศึกษาเราเรียนมันก็แนวนั้นนะหมายความว่าเราครบกับคนที่เหนือกว่าเราโอ้ฉ ล, ลาดปราดเปรื่อมากคนนี้แหลมคมมากเลยเราก็อยากจะเป็นอย่างที่เขาเป็นมันก็ปลักดันให้เกิดความกระตือรือร้ น, รนวันแนวของศีลสมาธิปัญญาจึงอยู่โครงสร้างเดียวกันหมายความว่าเราครบท่านที่ท่านเป็นผู้มีศีลที่สมบูรณ์มีสมาธิที่มั่นคงมีปัญญาที่หนักแน่นนะฮะ เราก็เมื่อเขาผ่าสมาคงกับท่านไดศึกษากับท่านพิจารณาคำสอนการปฏิบัติบาของท่านเราก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็อยากเป็นอย่างที่ท่านเป็นแต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าท่านก่อนจะท่านจะเป็นเนี่ยมันมีขั้นตอนในการเป็นก็ทำเราทาให้เราไปทำตามที่ท่านทำหรือก่อนที่ท่านจะได้เป็นเนี่ย ท่านทำมาอย่างไงเราก็าไปทำตามตามที่ท่านได้ทำก็ทำให้การได้ของเราเป็นไปในทางที่ถูกต้องซึ่งมันก็ผิดกับไอแนวที่ที่เราแข่งกันนะนะฮะแข่งกันที่แรงไอ้สังเกตฮะว่าเวลามีคนกลุ่มหนึ่งยังสังคมจนบนบดีได้ใช่หรือว่าแม่แม่สังคมเมืองหลวงนะเนว่าเพื่อนทางานเบิกเงินเดือนมาไอพวกหนึ่งพวกปลน ก็ที่จริงก็อยากเป็นอย่างที่เขาเป็นนะแต่ว่าเป็นในทางที่ไม่ชอบทำเปือ่ยนขายพืชไร้เยเศจกลับมาเอาดักปล้นนะปล้นมางทีไม่ไม่จะปล้นเฉยๆนะฆ่าเขาด้วยนั้นเกิดจากความอยากเป็นในเรื่องนีเขาเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีปัญญาคุมแล้วก็ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาในที่สุดมันก็สร้างปัญหาขึ้นมาสารพัดอย่างที่เราพบเห็นนะฮะพบเห็นว่า กิ จ, จกรรมในปัจจุบันก็แรงแรงแล้วก็คนที่เข้าร่วมเนี่ยบางทีมันก็ถูกดึงไปถูกดึงไปเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นหมายความมาก็เริ่มจากที่เขาคบคนที่ไม่ดีแม้แต่ในหมู่นักเรียนนักศึกษาต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเหล่านี้เขาเรียนกันมาด้วยกันอายุวนา ม, มากสามสิบสี่สิบประกบเพื่อนเจริญก้าวหน้าไปแยะไอ้คนนี้ยังขับแท็กซี่อยู่ขับสามอยู่ เมืก่อนนีไปเจอคนนั่งอามานั่งแท็กซี่มาแต่แกมาถึงแกแกแกลงไม่ใช่แท็กซีนะ่แตวันนั้นรู้สึกจะสามลอ้อแกลงมายืนที่หน้า ม, ามหาวิทยาลัยสง์เนี่ยนะยืนมองแล้วน้ำตาครอน่ลยแล้วชักสงสัยเลยคุยกันดูปรากฏว่าแกแกเรียนที่นี่เหมือนกันแกเรียนเหมือนกัน แล้วตอนนี้ตอนตอนที่แกขับรถเดียกับเพื่อนรุ่นแกเนี่ยเป็นศาสตราจารย์แล้วนะศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอยู่เยอะแกเองก็มันติดอยู่วิชาเดียวเองเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อฮะติดอยู่วิชาเดียวแล้วก็ถูกดุคือทางานมาไม่เรียร้อยถูกดุโกรธน้อยใจถูกดุซึ้งซึ้งไอวิทยาฐานะมันไม่มี ใบแสดงวิทยาฐานะเนี่ยจะไปเข้างานเนี่ยไม่มีก็ะลงก็รับสามรออยู่นะไอ้นี้คือคือคือเราจะเห็นว่าเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการไปไปคบหาสมาคมกับอารมณ์นะไปให้ความต้องการแก่อารมณ์ที่ไม่ดีซึงเกิดขึ้นภายในใจคือความโกรธแล้วก็โกรธก็ไม่โกรธใครนะกรธครูบาอาจารย์โดยซึ่งก็หวังดีกับเขามาก แต่แกก็สำนึกคุณอาจารย์นะแต่มันก็สายหมดแล้วก็สายหมดแล้วเพราะว่าอายุแกตั้งเยอะและ้วสี่สิบกว่าเกือบจะห้าสิบที่ตอนตอนที่พบกันเนี่ยนี่ก็คือตัวอย่างที่ทรงสอนในแนวให้เราศึกษาพิจารณาแล้วก็ทรงสรุปไว้ด้วยข้อความที่เราเรียกว่าเป็นคาถาสั้นๆในตอนหลังว่าคนเราครบคนต่ำกว่านะยิ่งเสื่อมนะ แต่ว่าครบในแนวอนุเคราะห์ไม่ว่ากันนะเพราะเราก็ดึงเขาได้หรือเปล่านะแต่ดึงเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมถ้าดึงได้ก็ดึงเพราะว่าเป็นเรื่องอนุเคราะห์แต่คําว่าครบเนี่ยคือคื อ, คอร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมหมายความว่าก็เป็นในที่เขาเป็นนะพยายามเป็นในที่เขาเป็นไปยันที่เขาไปอยู่ยันที่เขาอยู่นะฮะและในสุดมันก็ไปเลยคนเราจะเสื่อมลงไปโดยธรรมด์เราจะถูกดึง ยิ่งมีคนมากเลยฮะยิ่งยุ่งคนนั้นดึงทีคนนี้ดึงทีบางทีก็เสียศูนย์ไปดื้อนะฮะและ้วที่ที่ที่น่าห่วงมามองวยความเป็นห่วงอย่างว่าคนเราพอโตๆเข้าไปเนี่ยโตๆขึ้นเนี่ยโอกาสศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆเนี่ยมันมันมันน้อยมีปัญหาอะไรก็หันถามเด็กข้างๆนะ เอ็นี่ว่าไงนีง่ว่า ไ, ไอเด็กก็โง่ๆมันก็ตอบมันเรื่อยๆมันมันมันไม่หยุดอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะถามทศถามเลขาอะไรเนี่ยถามถามคนใกล้ๆเนี่ยแต่เรื่องที่น่าสงสารว่าเราโตขึ้นมาเนี่ไปเรียนกับคนที่โง่กว่าเราอันนี้คือคือคือเราลืมคิดไปว่าที่จริงคนเนี้เขาไม่ได้รู้มากมายขนาดนั้นถามบางเรื่องเนี่ยไม่ได้ไปถามก็ทุกเรื่องเนี่ยไม่ ไ, มได้แต่ถ้าตอบแต่แกตอบทั้งหมดอ่ะ มันเป็นธรรมชาติของเราที่เราเคยเรียนเรื่องเรื่องนั้นไงเรื่องเรื่องโมหสถอะพวกอา ม, มาตอะไ ร, รเสนอ ก, กามินเทวินเนี่ยนะฮะมีปัญหาอะไรนี่ตอบหมดเลยแต่พี่ทั้งนั้นแกไม่ตอบไม่ได้นะแกไม่ตอบแกเสียสถานะเป็นทั้งบุโรหิตต่อปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ใหญ่ไก่แต่ต่อไปแล้วปรากฏว่าไม่ถูก พระโมโหสถก็ต้องไปตามแก้ปัญหาที่พวกนี้สร้างเอาไว้หรือที่เคยเล่าเรื่องพระนางมาลิกาที่จริงเรื่อง พ, อ ร, พระเจ้าประเสนีกโกศในนั้นะเรื่องยันยสูดอะยันยสูดที่พระเจ้าประเสนิกโกศนั้ทรงสุบินนิมิตฝันได้ยินเสียงโหยหวนแล้วก็ดังทุษาน่าโสนอนไม่หลับกระสับกระสายอยู่กลางคืนได้ยินเสียงทุษาน่าโส เรียกโหราจารย์มาสอบถามไอ้พวกนี้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้วันเสียงอะไรทำไมจึงมีเสียงอย่างนั้นทำไมจึงได้ยินเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่ไม่ตอบไม่ได้มือระดับปุโรหิตไม่ตอบได้อย่างไงก็ตอบโบนี่เป็นเสียงอัปมงคลอย่างยิ่งจะต้องทำพิธีบูชามาหายันขนาดใหญ่เอาสัต เจ็ดร้อยชนิดนะฮะไม่ไม่ใช่คือว่าอย่างละเจ็ดร้อยโค็ดร้อยม้าเจ็ดรอยลาเจ็ดร้ยคนเจ็ดร้อยทาสีเจ็ด้อยทาสาก็เอาคนมาฆ่าด้วยนะฮะแล้วพระเจ้าประเสริฐในโกศลก็ก็กลัวเลยก็จับจับคนเหล่านั้นมาล่ามาไว้เป็นแถวทั้งคนทั้งสัตว์ร้องร้องร้องห่มร้องไห้กันเป็นแถบไปเลยนางมารีกาพอได้ยินข้าวไปยินข้าวก็นึกโอเปราชานี่ใกล้เกือกินด่างนะฮะ เลยท่านก็บอกว่านีไไ่ไปเชื่อพวกพราวนี้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆทำไมไม่ไปถามตอนไม่ไปถามคนเหล่านี้มันจะรู้อะไรแล้วนวยายเป็ส่วนก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระองค์ไลก็เป็นเรื่องของสัตว์ของสัตว์ตรนรกแล้วก็เล่าเรื่องอัญญตาระบุรุยาวนะ น, นี่นี่คือเราจะเห็นว่าคนทานเนี่ยก็าตอบได้เรื่อยเลย แต่บัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตอบนะถ้าเขาไม่มองเห็นเงื่อนต่างๆในแง่มนต่างๆนะเขาไม่ตอบเพราะเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดไปพูดไปแล้วแล้วเกิดรับผิดชอบไม่ได้หรือผลออกมาในทางไม่ดีเนี่ยตัวเองก็เรื่องรู้สึกว่าเป็นความเสือ่อมแต่คนพานเขาไม่รับผิดชอบเพราะงั้นเขาจะแนะนําในเรื่องที่ไม่ควรแนะนําก็จะกระทําในเรื่องที่ไม่ควรกระทํา พอใครตักเตือนข้าวก็โกรธมีปัญหาเยอะตักเตือนข้าวก็โกรธแล้วก็จะมองโทษเฉพาะของคนอื่นจะไม่มองโทษตัวเองนั่นคือลักษณะของคนผ่านจุดใหญ่เนี่ยนะคนเราจะแก้ปัญหาเราเองเราก็ต้องดูเราออกว่าเรามีความบกพร่องอะไรหรือไม่แต่ถ้าเรายังไปเข้าใจว่าเราดีอยู่เนี่ยเราแก้ไม่ได้อะนะ มันมันมั น, ม, นมันดีแล้วอะนะไม่รู้จะคิดแก้ทําอะไรดีแล้วถูกต้องแล้วสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแล้วเลยก็ไม่ต้องแก่แต่นั้น เ, เวลาแก่ไปยุติในความเป็นอย่างนั้นเราไปครบข้าวแกก็ดึงเราเพรา ะ, ะนั้นจุงจแสดงว่าครอบคนผ่านแล้วก็ยิ่งเสื่อมลงไปเรื่อยๆคล้ายๆตัวอย่างเศรษฐีบุตรที่พูดไว้ในตอนต้นนะเราจะเห็นว่ามันเสื่อมหมดเสื่อมทั้งทรัพย์เสื่อมทั้งคุณธรรมเสื่อมทั้งมรรคทั้งผลมันเสื่อมลงไปโดยลำดับ ทรงสอนว่าให้เหมือนกับเดินทางที่มีภัยแล้วก็ต้องหลีกเว้นอย่าไปทางนั้นครอบคนชั่วเป็นมิตรเสพสนิทกับบุคคลเช่นใดขอย่อมเป็นเช่นนั้นดังนั้นคนผ่านคนคนคนคนทุศีนง่ายคนทุศีทุศีนีนน่เป็นภาษาที่ที่ผมผู้จาญ่หน่อยคือศีนชั่วศีนไม่ดีนะฮะ มาย ก, ก็มีศีลด้วยบ้างบางแกนเนี่ยแต่แต่รักษาไม่ดีบางทีก็กลายเป็นพวกเสแสร้งมายาโอ้อวดไปนะฮะต่อหน้าคนก็สงบสงี่ยมเตียมตัวดีเรียบร้อยดีนะรับหลังก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะก็แสดงว่าเป็นคนทุศีลคือศีลชั่วเป็นหลอกลวงนะพวกเนี้ยพวกพวกไอ้ลวงโลกอะไรทั้งหๆเอ่อคบคนเสมอกันเนี่ยนะคบคนเสมอกัน ก็จะมีความเกื้อกูลกันก็ยช่วยเหลือกันได้นะเหลือกันได้เกื้อกูลกันได้แล้วก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขแต่ถ้าให้ดีแล้วเนี่ยในชั้นนี้แม้จะไม่เสมอก็ต้องพยายามปรับให้เสมอเพราะว่าสิ่งตงลางมันมีจุดเริ่มตน้นของมันไม่มีใครสมบูรณ์จะทำยังไงเราจะปรับจะปรับตัวให้อยู่ได้อยู่ร่วมกันได้ เห็นว่าบ้านนี้ครอบครัวนี้สถานที่นี้เขามีระเบียบปฏิบัติอย่างนี้เราก็ปรับตัวเข้าหาการปรับตัวมันก็ปรับที่ใจนะปรับที่ใจคือยอมรับนับถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความเหมาะความควรเป็นความถูกต้องดีงามแล้วก็ปฏิบัติตามคล้อยตามที่อะไรปัจจุบันแต่ว่าคำคำนี้ความหมายไม่ตรงกันในศาสนาเท่าไหร่ เรียกโลกาอุวัต น, น, นะนะฮะเป็นภาษาทางทางธุรกิจปัจจุบันที่นํามาใช้แต่แนวกะติดไทยที่ว่าข้าเมืองตาลิวก็หลิวตาตามแต่ก็ต้องดูเหมือนกันต้องมีปัญญาเหมือนกันตรงไหนควรจะปรับเพราะว่าท่านต้ดูเกณฑ์ของศีลสมาธิปัญญาท่านวางเกณฑ์ตรงนี้ไว้พอถ้าปรับแล้วมันไม่ได้อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญามล้วก็ไม่ต้องไปปรับทีนี้ศีนี่คืออะไร คือเราอย่าไปยไปติดใจในคําบาลีว่าศีลก็คือกายวาจาที่เรียบร้อยท่านแปล ง, ง่ายๆว่าการรักษากายวาจาวาจาให้เรียบร้อยแต่นั้นเองแปล ง, ง่ายๆไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายเมื่อวาลมากระเตือนหนังสือพิมพ์ไปเหมือนกันบอกว่าเรื่องวงการเหล่านี้อย่าใช้วิธีด่านะอยาใช้วิธีดา่าแล้วจะแยกคนเลย ก็ไม่แน่พวกนี้อาจจะออกโทรทัศน์ช่องห้าก็ปัญหานี้จริงก็น่าพูดแต่แต่ว่าโทรทัศน์เวลามันนิดเดียวพูดมันไม่ทันเรื่องมันเยอะหรือจะใช้ด่าแล้วมันมันมันจะเป็นการแยกคนก่อกางตั้งพ้อมไปสืบ ก, การแน่นนะ่ะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาวิธีสร้างปัญหาต่อต้องพูดกันดีๆอธิบายกันโดยเหตุโดยผลแล้วก็ชี้แจงกัน อาจจะประกบพูดกันทีละชุดทีละคนก็ได้นะฮะอย่างบางทีให้สัมภาษณ์โฉงชางไปจะปราบจะอะไรมันมันมันไม่ใช่เล่นมันไม่ใช่เรื่องปราบนะฮะเป็นเรื่องปรับปรับมากกว่าปราบคือปรับความเข้าใจกันมากกว่าที่จะปราบกันมันไม่ใช่อาจญากรรมนะฮะไม่ใช่อาจฉรกรรม แตเเ่เป็นเพียงว่าวิธีการทางศาสนาซึ่งน่าจะขยับขึ้นไปให้ดีกว่านี้อีกหน่อยหนึง่งแต่ไม่ถึงกับไปทำลายหมายความว่าเขายังไม่เสมอก็ปรับให้มาเสมออยู่ในจุดที่ที่ไม่ใช่เป็นพระอระหันต์นะนะเรียกว่าจุดของเขาที่เขาจะอยู่ได้นะแต่นั้นพวกศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีแต่ละอย่างก็ปรับสมาธิก็คือจิตใจที่มั่นคงนะ ใจที่มั่นคงจิตใจที่สงบไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไปด้วยความรักความชัางต่างๆแม้แต่เราอยู่ในความรักความชางมีตัวกระตุ้นมีตัวยวยุยัย่ยอะไรก็ตามก็ปล่อยไปเรื่องของเขาไปเราก็ไม่อ่อนไหวไปตามปัญญาก็คือรู้เห็นตามความจริงในแต่ละขณะที่เราสัมผัสกับอะไรก็ตามคือรู้เห็นตามความเป็นจริง าสตรใดที่ยังมีความรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เนี่ยเราก็คุ้มครองใจรักษาใจเราได้มีปัญหาก็แก้ได้ในขนาดนั้นๆนะแต่ต้องรู้เห็นตามความจริงไม่ได้เกิดความสับสนในการมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าคบคนที่สูงกว่าเนี่ยคนที่สูงกว่าเราคนที่โดดเด่นกว่าเราในด้านศีลด้านสมาธิปัญญาเนี่ยท่านจะดึงเราไปขึ้นไปสูงเรื่อยๆ เขาพูดประเสริฐในสุดเราก็เป็นคนที่ประเสริฐตาม อ, อย่างยางว่าคนทั้งหลายซึ่งว่าที่จริงๆเก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานะแต่พอมาเขาผ่าสมาคมกับพระพุทธเจ้าเขาก็กลายเป็นอนุพุทธะคือรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามพระพุทธเจ้าเห็นนั่นคือภาพที่เด่นชัดมากนะว่าจริงๆมันคือคนธรรมดาบทีก็ดึงมาจากขอทานนะดึงมาจากขอทานก็มีดึงมาจากคนซึ่ง มีปัญหาในชีวิตมาเยอะแยะนะเช่นปปตาจาราก็ดีหรือว่าพระองคกุลิมานก็ดีเนี่ยมีปัญหาในชีวิตมาเยอะแต่พอเขาผ่าสมาคมกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเราดูตรงนี้เราดูที่ที่พระองค์กุลิมานได้น ะ, ะคุลิมานได้ว่าเราจะเห็นว่าพระองค์ุลิมานท่านก็อะไรล่ะขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเป็นเ ป, เป็นชีวิตที่น่าศึกษาคือแบบขึ้นขึ้นลงลง มันไม่ใช่เป็นกระแสดิ่งคือชั่วดิ่งแบบเทวทัตว่าดีดิ่งมาแบบพระสารีบุตรพระอน์ น, นั่นก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าองค์ลิมานั้นเป็นแบบวิธีชีวิตว่าความเปลี่ยนแปลงของท่านเกิดขึ้นจากการครบทั้งหมดจากการครบทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะท่านนะไม่ได้เพราะท่านนะท่านจริงดีฮะผืณาตยาใยดี เป็นคนมีวาสนาบรารมีสูงเกิดมาในะกุลดีพ่อแม่ก็เป็นตระกูลที่ดีสมาธิฏฐินะพระพระองค์กริมานไม่ได้มีปัญหาในส่วนตัวท่านแต่ปัญหาเกิดขึ้นจากการคบแล้วก็ไปยอมสยบกับไอ้กับกลุ่มคนที่ตัวเองไปคบด้วยหมายความว่าอะไรคือไปเชื่อเขาเห็นไหมไปเชื่ออย่างที่เขาเชื่อไปเชื่ออย่างที่เขาเชื่อ แต่การที้ท่านต้องไปฆ่าคนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากแรงริษยาที่จริงมันมั น, ม, น, ม, นมันแรงริษยาทั้งหมดเป็นกระบวนการริษยามันเริ่มจบเพื่อนฤิษยาที่ว่าท่านเก่งท่านเรียนดีท่านมีความสามารถเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์แล้วทํำยังไงถึงจะแทนที่ไอ้พวกเพื่อนเนี่ยมันมันจะปรับตัวเข้าให้แบบเดียวกับพระองค์ริมารแต่ต้องการกดองค์ริมารให้เป็นเนี่ยเขาเป็น มันก็แบบพวกผู้หญิงเมียนางพรามณีที่ดา่านางมิตรดานะฮะจนจะเห็นว่าที่จริงก็นางมิตรดาเก่งดีมากๆเป็นพันยาที่ดีมา ก, มากแล้วก็สามีของหญิงเหล่านั้นก็ต้องการให้พวกหญิงเหล่านั้นเป็นอย่างนางมิตรดาด้วยแต่เธอเป็นไม่ได้เธอเป็นไม่ได้เธอก็โกรธนางมิตรดาลงมาเพื่อให้เป็นอย่างที่เธอเป็นเมื่อเมื่อเธอไม่ยอมเป็นก็โกรธก็ด่าว่ากวฏุสลายนั่นคือแรงฤทธิษยา แล้วทำยังไงว่าให้อาจารย์เนี่ยไม่สนใจองค์องคุลิมาหอาหิงส ก, กะตอนนั้นเรองส ก, กะเช่นเดียวกับตนถูกตําหนิถูกดุด่าถูกรังเกียจแต่ว่าแรงไปกว่านั้นนะฮะคือให้ทำลายไปเลยเลยเพราะทําลายไปเลยคล้ายๆกับป่ามันมีต้นไม้สูงอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยมันเด่นมากเลยก็โค่นต้นนั้นเสียก็เลียดยดินพอๆกันไปอยู่กันได้อันนั้นก็คือแนวความคิดที่มันเกิดจากแรงนิษยา แล้วก็บอกอาหาว่าเป็นชู้กับพัญญาของอาจารย์บ้างอะไรต่ๆไรไปอาจารย์ก็เพียนๆไปกันเรื่อยๆในสุดมันก็ไปไปตั้งเงื่อนไขบีบบังคับให้ไปค่าคนมาประกอบมูลนะฮะเพื่อจะให้จบศิลปศาสตร์และจะเป็นสุดยอดนะท่านเองต้องการความรู้แต่พอดีอาจารย์มาเกิดไปปลูกเอาไว้ว่าถ้าต้องนาการได้ความรู้สุดยอดมันต้องค่าคนให้ครบพันคน เด่นไหมฮะมันเกิดขึ้นจากการครบคบคนก็ ค, คนผ่านที่จริงไอ้คนผ่านกว่าเนี้มันก็สืบเรื่องมาจากลูกศิษย์อีกทีหนึ่งืบเรื่องมาจากลูกศิษย์อีกทีเดีมันก็แนวอะไรฮะมันก็แนวนางกายะเกษีแกเป็นคนดีนะะแต่มันไปคบหากับหญิงข่อมซึ่งไม่ชอบใจพระรามมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กพยายามตอนทดลองธนูพยายามพร ะ, พ ร, ะรามไปยิงหลังแกนะไปยิงหลังแก ยิงหลังหลังก็เด้งกลับไปหายข้อเสร็จ แ, แล้วก็ยิงอีกเที่ยวนึงข้อเหมือนเดิมนะฮะแกก็โกรธเดวก็ผูกอาฆาดเอาไว้นั่นก็ยังเย็นสีซึ่งซึ่งรักพระรามเหมือนลูกลนะที่จริงไงแม่ทั้งสามคนเนี่ยรักทั้งสี่องค์เนี่ยเหมือนกับลูกทั้งนั้นเลยแล้วก็ลูกๆ ก, ก็ถือว่าแม่ทุกคนแต่ว่าเพราะการคบกับคนไม่ดีก็ดึงท่านต่ํามลงไปไปริษยาลูกแรงริษยาเรานั้นจึงเป็นแรงริษยาสร้างนะอย่างสำนวนปัจจุบันเรียกข่าวปล่อย จวนทางทางการเมืองในวงการนะข่าวปล่อยนะฮะคือกุข่าวแบบแบบเรียกกุข่าวขึ้นมาแล้วในสุดท่านก็เพี้ยนไปประวัติศาสตร์ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะเป็นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคล้ายๆกับรอยรอยรอยด่างในชีวิตของพระนางกัญญเกศีแต่หลังจากนั้นที่จริงตั้งแต่นั้นมาท่านก็ดีนะตั้งแต่ดีตั้งแต่พระรามเข้ามาพระรามก็ยังปฏิบัติเป็นโลกจิตตินั้นเหตุว่าฮะคือจุดดึงคนดีๆมันถูกดึงลงต่ําได้ ถ้าเราไม่แน่จริงนะฮะถ้าเราแน่จริงเราดึงเขาขึ้นมาได้นะแต่ดึงเขาขึ้นมาได้เขาก็ดึงเราลงไปไม่ได้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งเขาดึงเราลงไปไม่ได้แล้วต่อมาท่านก็คบกับคนสูงกว่าคือพระเจ้าดึงจากหมหาโจรมือชุ่มด้วยเลือดมีพวงมาลัยนะฮะทำโด้วยนิ้วผลขึ้นไปเป็นพระอาหารหันต์ดึงลิบเลยนะ นี่คือภาพทด่เราห็ในชานี่นี่นี่คือธรรมะที่เป็นตัวคนแนวธรรมะที่ก็เรียกว่าสอนให้ฟังหรือว่าทาให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นว่าเนี่ยเขามีธรรมะอย่างเงี้ยคนมีธรรมะก็เป็นอย่างเงี้ยแต่และอย่างในที่ที่จริงก็เป็นครูด้วยกันดังนั้นสอนให้ฟังก็คือครู อ, อยู่ให้ให้เห็น ก็คือเป็นวิธีการครูที่เราจะอยู่อย่างท่านอยู่ไม่ใช่คือทําให้ดูนะฮะทำให้ดูก่อนปฏิบัติให้ดูประพฤติให้ดูเดี๋ยวก็อยู่ให้เป็นปกติเป็นคนมีคุณธรรมก็อยู่ให้เห็นอย่างนั้นท่านก็เป็นก็ท่านอย่างนั้นแต่ละอย่างนั้นคือการสอนธรรมะเพราะงั้นแนวแนวของพระองคุลิมาจึงเป็นบทเรียนเทียบเคียงตรงนี้ได้เป็นอย่างดี ความเปลี่ยนแปลงของท่านต่าสุดเป็นสุดยอดมหาโจรในยุคพุทธกาลไม่มีใครเสมอท่านแน่ะโหดร้ายรุนแรงมากๆเลยแต่ก็ไม่มีมหาโจรคนไหนที่ขึ้นมาเป็นพระหันเหมือนกันที่ว่าแรงขนาดนั้นแล้วขึ้นคือต่ําก็ต่ําสุดเลยสูงก็สูงสุดอะไรเป็นตัวดึงคนทั้งนั้นเลยคนทั้นนั้นที่ไปดึงท่านดึงอะไรดึงความเชื่อของท่านเห็นไหมดึงความเชื่อของท่าน ครั้งแรกเนี่ยอาจารย์นิสาวบอกก็ดึงว่าถ้าท่านฆ่าคนตายได้ท่านจะจบาศิลปศาสตร์เป็นสุดยอดของออคนที่มีความรู้ในด้านนี้พระเจ้าก็ดึงที่เชื่อเห็นไหมฮะดึงให้ท่านเชื่อก่อนเพราะถ้าเชื่อพระเจ้าท่านก็ทิ้งดาบฮะท่นก็ไปได้อธิบายคําว่าหยุดคําเดียวนะฮะคำว่าหยุดในความหมายที่พุทธ ประชาชนหมายก็คือหยุดทาชั่วแต่ถ้าเรายังเดินยังวิ่งอยู่ยังไม่ถือว่าหยุดหรือแม้แต่หยุดแล้วถ้ายังทำชั่วก็ไม่ถือว่าหยุดท่าก็เชื่อตามนั้นทิ้งดาบจนะานวนที่เราเรียกว่าทิ้งดาบได้ก็เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยก็เอามาจากพระองคุลิ ม, มานนั้นก็คือแนวของการคบว่าชีวิตของเรานั้นต้องเกี่ยวข้องกับกฎแน่นอน แต่ทำยังไงวะใช้เลือกคบคนอย่าคบคนตำกว่าจะเกี่ยวข้องร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมคนที่ตำกว่าเว้นไว้แต่ไม่ตาโนเคราะจะสงเคราะห์เขาแต่อย่าเป็นอย่างที่เขาเป็นอย่าทำอย่างที่เขาทำอย่าพูดอย่างที่เขาพูดทีนี้คนเสมอกันกด็ดียิ่งคนประเสริฐกว่าเราแล้วก็ยิ่งดีเพราะท่านจะให้ประโยชน์เกื้อกูลแกเราโดยส่วนเดียวนี้ก็คือเสวิตต์ประสู คือสูตรที่ว่าโดยการคบหาสมาคมซึ่งมีอิทธิพลทางด้านบวกด้านลบของคนก็เป็นพระเจ้าทรงเสนอในแนวเลือกนะให้เราคิดตัวเองว่าจะไปทางไหนล่ะคนมาคบกันแล้วมันจะมีอยู่สามกลุ่มอย่างเงี้ยสำหรัวันนี้ก็ข อ, อยุติดไวด้วยเวลาเป็นงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปูในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโทั่กทุกท่านที่ร